u d d h a m r ā m a g a c c h u d d h a m m r a g a c c h d d h a m m a a a m a m a h a m a m g a c c h นับได้หมดชั้นใดว่างั้นเน่ย ลักษณะสติก็เป็นอย่างนั้นนั่นเลยสามารถระลึกได้ไอสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญเน่แยกแยะได้เลยอันนี้คือสติประธานสัมมประธานอิทิบาทอินทรพระพโอชงเนี่ยจะแยกได้เลยอันนี้เป็นอกุศลธรรมลามกก็จะแยกได้ถ้าสติมีนะไอถ้าใม้มีสตินี่ขาดเลยนเนี่ยไอสติระสัมปชัญญะสี่อย่างสาสกาสัมปชัญญะ สปายสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอาสาโมหาสัมปชัญญะนี่ในสัมปชัญญะ4อย่างเนี่ยถ้ามีก็จะทําให้ได้อินทรีย์สังวรเมื่ออินทรีย์สังวรได้สุจริศสามได้เมื่อสุจริศสาได้การบุคคลเหล่านั้นก็คู่ควรต่อการเจริญสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงเจ็ก็บริบูรณ์โพชฌงเจ็บริบูรณ์อาริย ม, มากก็บริบูรณ์ทันทั ง, ง, ง น, นั้นนี่นี่มันไม่ได้เลยเนี่ย ถ้าให้เราได้สุจริตเนี่ยสุจริตพวกนี้น่าจะได้ใช่ไหมสุจริตธรรมทั้งหลายน่าจะได้ถ้าได้สุจริตเราก็เห็นอริยมรรคอยู่ลำไรแล้วเนี่ยนี่มันไม่ได้เลยเนยวิชาเนี่ยปิดเราหมดเลยนะถ้าอย่างนั้นโอ้โพอจะมองเห็นหนทางเอกายานะเอกายนามักแวบแวบแวบแบบางกันพอจะมองเห็นใช่ไหยนี่มองไม่เห็นเลยตอเนี้ยถ้าใครได้สุจริตใช่ไหมดีอะ สามารถได้สุจริตในชีวิตจริงนะจริงๆเลยได้สุจริตจริงๆนะโอ้โ oh, หท่านพู้นั้นนะ่ะปิดอบายได้อย่างพระโสดาบันเนี่ยปิดได้เลย mm hmm. เขาเรียกประพฤติ ท, ทำตามสมควรเกียรติได้ประพฤติ ท, ทำน้อยคลอยตามทําใหญ่ก็มันนึคล้อยตามสติปทานสัมมาปทานได้โอ้ท่านท่านได้อินทร์สังวรอินทร์สังวรเป็นปัจจัยเกิดสุดจริตสาม สติสัมปชัญญะเป็นปัจจัยเกิดอินทรีย์สังวรอะไรเป็นปัจจัยเกิดสติสัมปชัญญะการฟังพระสัทธรรมอะไรเป็นปัจจัยแห่งการฟังพระสัทธรรมต้องมีศรัทธาใช่ไหมอะไรเมื่อมีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปคบสัตบุรุษใช่ไหมคบสัตบุรุษแล้วก็คือว่าอยู่ในถิ่นที่สมควรน เมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยสวดสดับตั้งจิตรับรู้ใกล้ควรไม่ทำต้องตั้งจิตให้ดีนะคือลักษณะอย่างนี้ถามว่าลำดับแรกก็คือว่าตั้งศรัทธาในในท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็เข้าไปหาครูเข้าไปหาพุทธเจ้ า, าเป็นต้นเนี่ยศึกษาคําสอนของพพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเราเข้าไปนั่งใกล้แล้ว ต่อไปเราก็จะเริ่มเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะพอสติสัมปชัญญะเราดีเดี๋ยวอินทรสังวรดีพออินทรสังวรดีเดี๋ยวสุดจริตก็ได้พอสุดจริตได้แต่นี้ก็จะได้แล้วเป็นบุคคลผู้คู่ควรต่อการจเจริญสติปัฏฐานพอสติปัฏฐานเราดีแต่นี้พอชงเจ็ดก็จะดีพ่อชงเจ็ดดีอริยมรรคบริบูรณ์เลยต่นี้มองเห็นเนี่ยไหม พอจะเดินก็จริงบอกแม้วันนี้ไม่ว่างวังธุระติดเลยนะมันเป็นได้ยี้หมดทําถ้าจะออืจะเอาเอาจริงๆรสักทีนะวังนะแล้วนก็บอ ก, นะะบ อ, กอะไรก็ไม่รู้ตามมาเยอะแยะมธรรมชาติที่เป็นผู้รู้ผิดในบัญญัติธรรมเล่นไปในหญิงชายเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่โดยสภาวะปรมัตตธรรมธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชา อาวิชัถธว่ารู้ในบัญญัติโดยไม่รู้ปรมาทัตน์เน่ยนะคือธรรมชาติที่รู้ผิดในบัญญัติรมอะแล่นไปโดยความเป็นหญิงเป็นชายหมดเลยคือจริงๆโดยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดนะการรู้อย่างนั้นเนี่ยรู้ถูกนั่นแหละแต่ถูกแล้วเพื่อได้ทุจริตถามว่าเวลาเราได้บัญญัติเนี่ยรู้บัญญัติถ้าได้สุจริตก็ดีไปใช่ไหม แต่ถามว่ารู้บัญญัติแล้วเราได้ทุจริตได้ไ่าเครียดแค้นชิงชังเนพ่อว่าแม่ว่าหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วเราก็ได้โลภะโทสะโมหะได้ทุจริตจากการที่รู้บัญญัติผิดๆเนี่ยที่กล่าวเมื่อวานที่บอกว่าไอ้คำพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวบัญญัติไหมบัญญัตินี่เป็นสภาวะที่มีอยู่จริงไหมไม่มี แต่การกล่าวบัญญัติที่ไม่มีสภาวะที่มีอยู่จริงนั้นไม่เรียกว่ามูสาวะวทําไมจึงไม่เรียกว่ามูสาวะวทั้งๆคํานั้นไม่ใช่คําจริงแต่เป็นคําพูดที่ชาวโลกเขารับรองกันฉะเวลาพระพุทธเจ้ากล่าวบัญญัติแต่บัญญัติที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั้นเป็นบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ให้สัตว์แทงตลอดแทงแทงตลอดอายศัตร์นะให้สังเกตดูสิบัญญัติทุกบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสกล่าวออกมานั้น ไม่มีคําพูดเล่นๆนะพุทธเจ้าเพราะมีบ้างไหมมีสูตรไหนบ้างไ้มที่พุทธเจ้าตรัดเล่นๆไม่มีเลยใช่ไหมพูดบัญญัติก็จริงแต่ในที่สุดจริงๆท่านพูนั้นก็ต้องถ้าหากสัตว์นั้นเป็นผู้สร้างอัธยาศัยที่จะได้บรรลุเพราะฟังบัญญัติพระองค์แสดงบัญญัติให้ฟังเลยแล้วได้บรรลุเลยไม่ใช่ฟังบัญญัติไม่ได้บรรลุนะฟังบัญญัติแล้วได้บรรลุก็มีถ้าหากท่านพูนั้นสั่งสมมาทางด้านบรารมันะีเนี่ยพระองค์ก็แสดงบรารมัตี นี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าอย่างเราๆทั้งหลายเนี่ยแล่นไปโดยความเป็นหญิงเป็นชายใช่ไหมคือมันอย่างนี้เวลาเราถามว่าในสติปัฏฐานเนี่ยจำได้ไหมโยมสรีจาได้พที่บอกว่าเห็นกายพิจารณาเห็นกายเนี่ยกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันนี่ยไม่ใช่ไปเห็น้วยความเป็นหญิงเป็นชายนะคำว่าเห็นกายในกายนั้นเน่ยแต่ให้เห็นกายคือผมอะ และเห็นกายคือผมนั้นต้องเห็นด้วยว่าผมนั้นน่ะเกิดจากสี่สมูฐานนะเกิดจากกรรมเป็นสมูทฐานจิตเป็นสมูทฐานปุตตุและอาหารเป็นสมูทฐานนะต้องแยกแยะคณะสัญญาให้ออกใช่แยกแยะให้ละเอียดละอว่ากายนี้ไม่งามนี่ใช่ไมไม่ใช่ไปเห็นโดยความเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายนั้นชื่อว่าเห็นบัญญัต ยังไม่เรียกว่าเห็นกายในกายวะเง้นก็จะต้องเห็นว่าไม่งามประการหนึ่งใช่ไหมและก็ต้องเห็นไม่ใช่ไปเห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลต้องสามารถเพิกหรือแยกแยะออกได้ว่าไม่มีสัตว์สัตว์บุคคลไม่มีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงใช่ไหมถ้าถามบอกว่าก็ใช่สิวิชาเป็นเครื่องกางกั้นเป็นตัวปิดใช่ ไปเห็นด้วยความเป็นหญิงคือถ้าไปเห็นลักษณะอย่างว่าที่สมมุติกันว่าเป็นหญิงเนี่ยใช่มผมใช่ไหมใช่ไหผมที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมนไมกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือกระดูกไหมถ้าท่านตรึกโดยรวมเนท่านตรึกยังไงบอกว่าที่เรียกว่าหญิงใช่โครงกระดูกไหมใช่ไหมโครงร่างกระดูก 3ามรอยท่อนหรือเปล่าที่สมมุติว่าหญิงหรือเส้นเอ็นลึงรัดเก้าร้อยเส้นหรือที่เนื้อฉาบอยู่เก้าร้อยชิ้นหรือที่มีหนังสดหุ้มอยู่แล้วก็มีหนังสดหุ้มอยู่รอบนอกเนี่ยเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ไม่อาจไม่สะอาดทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารหนักทวารเบาเนี่ยเป็นที่ไหลออกของสิ่งโสโครกแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย อันนี้ไม่งามเห็นโดยความไม่งามแล้วก็แยกแยะไปเห็นว่าจริงๆแล้วกายทุกส่วนนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในนั้นเลยลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มเห็นอริยสัจคือแยกแยะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาวิชชาปิดโดยแท้ก็พวกเราเห็นกันมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เห็นกันอย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่ว่าแยกแยะไปมาแล้วบอกโอ้ไม่มีเลยเลยคนก็มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นถ้าอย่างนี้พวกขาดศูนย์ฉะนั้นท่านจึงให้ตรึกเห็นว่า เกิดจากสมูฐานอะไรไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายจริงว่าผมเนียมีกี่สมุูฐานขนมีกี่สมูฐานเล็บมีกี่สมูฐานฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนมีกี่สมุูฐานก็ให้รู้ว่าแต่ละสมุูฐานมีกรรมเป็นสมุูฐานบ้างจิตเป็นสมุูฐานบ้างอูตุอาหารเป็นสมุูฐานบ้างเนี่ยให้ดูในลักษณะอย่างนั้นเออพอฟังลักษณะอย่างนี้เข้าใจยากไหม ไม่ได้เห็นด้วยความเป็นดินน้ำไฟล้มไม่ได้เห็นด้วยความเป็นขันไม่ได้เห็นด้วยความเป็นธาตุอายตนะอวิชชาปิดไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแท้ที่จริงก็คือว่าขันธาตุอายตนะนี่มันดําเนินไปข้างมันอยู่อย่างนี้การสมมติว่าหญิงว่าชายจึงมีขึ้นที่จริงก็คือว่าในขณะที่เราเห็นลูกได้ยินเสียงดมกลิ่นถ้าถามว่าไหนความเป็นหญิงอยู่ตรงไหนอะ ความเป็นชายอยู่ตรงไหนพอไล่ไปที่ไหนแล้วมันไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายอยู่จริงแท้จริงเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของขันท่าอายตนะคือเป็นการหมุนเวียนไปของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองว่าเงินพอเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเขาเรียกว่ามันทําให้เราไม่เห็นตรงนี้เพราะอวิชาปิดไว้เอาวิชาจะปิดไว้ไม่ไม่เห็นเลยใช่ไหมพอมาปุ๊บก็เราเห็นกันอีกอย่างหนึ่งนี่คือธรรมชาติที่ปกปิดไม่เห็นตามความเป็นจริง ของสภาวธรรมนั้นนั้นดูเหมือนยากนะนะทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติใดปกปิดไม่รู้ปรมาตธรรมไม่ให้รู้ขันห้าเยเวลาเรามองแต่ละเราเห็นใครเนี่ยเราก็ตรึกรู้เลยว่าวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำลังทำกิจการงานนั้นๆอยู่ไม่ได้เห็นอย่างนั้นใช่ไถ้ามองพาเขาเออเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเรียนหนังสือเงๆๆๆๆี้ยคือค อ, อย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าในส่วนของผมคนแล็บฟันหนังเนื้อหรือส่วนของมหาโพธรูปและอุปาไทยรูปส่วนนี้คือรูปประคันเกี่ยวกันในเรื่องของการคิดนึกต่างๆนั้นเป็นจุดของกลุ่มนามประคันคือวิญญาณเววิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขั น, ขาาขนคือก็มีอยู่สองส่วนนี้และรูปกับนามนิแหละที่เป็นไปในชีวิตจริง ถ้าเห็นอย่างนี้อยู่ตรึกเห็นอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าพอจะมีอัธยาศัยในการเห็นความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะพอคิดถึงตาก็คืออายะตนะคือตาอายะตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายะตนะคือกายอายะตนะคือใจอายตนะคือตาก็สัมพันธ์กับอายตนะคือรูปอายตนะคือหูก็สัมพันธ์กับอายตนะคือเสียง เห็นอยู่อย่างนี้ไหมถ้าเห็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ตรึกอยู่อย่างนี้ค่อนข้างบ่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นความเป็นไปของขันธาตุอยายตนะถ้าไม่ได้ตรึกอยู่อย่างนี้เลยก็เพลิดเพลินไปเห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนั้นก็ชื่อว่าอาวิชาปกปิดแล้วก็ค่อยๆตรึกไปใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้ก็เนะแต่ในปัจจุบันเขาบอกว่าเวลา เวลาบางคนก็บอกว่าเถ้าไปปฏิบัติเนี่ยอย่าไปเรียนมากนะว่าั้นเนี้ยถ้าเรียนมากเดี๋ยวการปฏิบัติเสียหายแล้คิดอยางเงี้ยตายเลยอย่างเงี้ยเสียหายหมดเลยเพราะถ้าไปอย่างนั้นละยุ่งเลยถ้าบาปเกิดก็ไม่รู้ว่าบาปอะไรแต่เนี่ยแต่บอกโอ้ยถ้าไปคิดก็ไม่ได้นะว่าเ ง, งั้ยนะเอยังไงละยุ่งลําบากละนะเลยนะถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยนะถ้าห้ามคิดก็คือห้ามไม่ให้มีจิตเนี่ย จิตตังจินจินเตติติตจิตตั้งธรรมชาติได้ย่อมคิดตลอดธรรมชาติชาตินั้นชื่อว่าจิตจิตมันต้องคิดอยู่แล้วทีนี้ว่าธรรมชาติใดไม่รู้ในปรมัตตธรรมทั้งสี่มีขันห้าเป็นต้นที่ปรากฏโดยสภาวะธรรมชาตินั้นชื่ออวิชชาปกปิดขันอาญตนาธาสจ่าอินทรีย์ทั้งหลายไม่ให้ปรากฏ ไม่ให้ปรากฏเลยไม่ได้เห็นความโดยความเป็นขันธ์ธาตุอยายตนะแท้ที่จริงก็คือความเป็นไปของขันธ์ธาตุอยายตนะนี่มันเป็นไปทุกๆขณะจิตแต่ก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเลยลักษณะอย่างนี้คืออวิชชาแท้ปกปิดนะก็จะปกปิดทําให้เราไม่เห็นความเป็นไปของขันธ์ธาตุอยายตนะที่กําลังสืบต่อติดต่อกันโดยไม่ขาดสายใช่ไหมอย่างกรณีที่เห็นคนเกิดคนตายเนี่ยเราก็ไปแล้ว แล้วก็คนนั้นตายคนนี้เกิดแท้ที่จริงละก็คือความเปลี่ยนไปของขันท่อนาอายตนะนั่นแหละเพราะกระแสวัตามันไม่ขาดอยู่แล้วที่เขาบอกว่าเราบอกตายแท้จริงก็คือเขาเปลี่ยนภพการเปลี่ยนภพนั้นถ้ามองอีกทีก็คือว่าเขายังไม่ได้ตายแท้ยังไม่ไปรรลิขิตพานใช่ไหมแปลว่าจะต้องไปมีโอกาสเนี่ยอาจจะในายาวนานหน่อยในวัตานี้เดี๋ยวก็เวียนๆกันก็มาเจอเเจอเกันอย่างนี่ย จะถามว่าจะไปเจอในไหนแค่นั้นเองถ้าทุจริตได้ก็นวนแหละไปกองกองกันอยู่นั่นและโอ้โหลภะเลยทีนี้มันีก็น่ากลวงจริงเเนี่ยเษาจบทำไมถ้าหาว่าเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เหมือนกับความมืดบอดเกิดขึ้นมาอย่างที่อวิชาเกิดขึ้นนีนถ้าเห็นโลภะเกิดขึ้นในกระแสจิตตอนนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นมโนทุจริต พูดออกมาเป็นวจีทุจริตทำมออกมาเป็นกายยากทุจริต mm hmm. ก็เห็นตึกถึงผลในอนาคตได้เลยว่าอย่างนี้ก็คืออบายทุกขติวินิบาตในรลกรอเราอยู่ mm hmm. คิดอย่างนี้จะกล้าไหม mm hmm. ก็เหมือนกับเห็นงูปลากดชูหัวเฉพาะหน้า mm hmm. เราจะเดินหลบหรือเดินเหยียบนั่นก็เดินหลบใช่ไหมนี้เราไม่เห็นโทษของของทุจริตแท้ที่จริงก็คือว่านี้คือภัย ปกปิดอันตรายที่ปกปิดเนี่ยโมหะ um. นี่เป็นอันตรายที่ปกปิดเป็นภัยเงียบเป็นศัตรูภายในเป็นอมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในโมหะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังตนเองให้เดือดร้อนเนี่ยให้เดือดร้อนถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะหลีกหนีจริงๆนะบอกโอไม่เอาแล้ววิชาไม่เอาแล้วโมหะไม่เอาแล้วโลภะไม่เอาแล้วโทสะเวลาโมหะมันปิด โลภะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามีโทษเมามันกันทั้งนั้นแหละคนทำบาปเนี่ยให้สังเกตดูดิโอ้ยสนุกใช่ไหมรู้สึกว่ามันมันมีรสอร่อยอ่ะเวลาเราจะโลภหรือว่าเราจะทำสนุกสนานอะไรเนี่ยเหมือนกับกรณีที่เราโกรธเราไม่พอใจอะไรใครแล้วเราจะต้องไปจัดการเนี่ยมันมัวมันเมามันไหมล่ะมันเหมือนรสหวานจริงๆรงนะแต่รากมันเป็นพิษยอดมันดูเหมือนหวาน ดูเหมือนบอกว่าต้องจัดการเราเป็นคนตรงต้องจัดการเรื่องนี้ให้เราเป็นคนมีหลักการว่างั้นอะไรผิดว่าไปตามผิดอะไรโูกว่าไปตามโกวตั้งกระแสจิตผิดพลาดหมดแล้วลักษณะอย่างนี้เห็นไหมโมหะปิดหมดเลยเห็นไหมว่าตันไอ้โมหะเนี่เป็นเครื่องการกันตั้นหาก็ประกอบทำให้เราอยากจะจัดการอยากจะทำเรื่องนั้นให้ได้ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่ามันเมามันในการทาบาป ไม่เห็นอบายทุกขติวินิบาตนรกซึ่งเป็นเผลนผลรออยู่งูหอกเหวหน้าผาหลุมทานเพิงมันไม่องกรณีอย่างนี้มันปิดเลยปิดหมดเลยไม่เห็นโทษถ้าหากว่าตรึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆในที่สุดจริงๆปัญญาจะมีกำลัง ศีล ส, สมถาวิปั ส, สนาศีล ส, สมาธิปัญญามีกำลังมากขึ้นก็สามารถที่จะทรงค้ออารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลงในศีลสมถาวิปั ส, สนาได้และท่านบุ้นั้นก็จะเห็นโทษของการเห็นโทษของทุจริตมันเป็นอันตรายปกปิดมันเป็นภัยเงียบฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ล้อ ว, ว่านี่คือนี่คือเชื้อของพวกกลุ่มอบียศัตร์เกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ไหม มันเหมือนกับกรณีบอกว่าเนี่ยอบายศัสตร์มันเกิดอยู่ภายในตนนี่นะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันชี้บอกแน่นอนว่าท่านวุ่เนี่ยเป็นลูกหลานของพวกอบายศัสตร์แล้ว<ส>ในขณะที่โลภะเกิดขึ้นมันเป็นเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทําไปแล้วประเภทที่วางทายาทไว้เรียบร้อยแล้วสืบสายพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วประเภทที่ฝากเตรียมบอกที่เกิดไว้เรียบร้อยระหว่า ง, งั้นโลภะเกิดหนึ่งขนาดก็ชี้อบอกว่าเออเดี๋ยวไปเจอกั น, นแน่เลยครับ ที่เห็นเขาร้องอยู่ระงมทั่วไปเนี่ยทุกทุกสารทิศใช่ไหมที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็แป ล, แปลเราบอกก็นแล้บอกว่าเออพวกกันนะนั่นก็ปูเราญาติเราพี่เราน้องเราเพื่อนเราอะไรกันเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนั่นเองบางทีเราเห็นเราร้องนะเขาร้องระ ง, งมเรื่องต่างแล้วก็โอ้ยบางทีเราชอบใจชอบใจคืออะไรอะไอ้ตรงนั้นก็คนตรึกได้ดีเขาเจริญกุศลได้ดี คนถ้าเขาตรึกได้ดีใช่ไหมเขาพิจารณาเขาเกิดสังเวชสลดใจพิจารณาอย่างนั้นเขาก็บอกเพียงพอแล้วที่จะเบื่อนานคือเห็นอยู่อย่างนี้มันชัดเจนอยู่แล้วถ้าถ้าพิจารณาเป็นนะจะเป็นยังไงรู้ไหมพิจารณาดูดเห็นไหมว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนบุญทักเท่าไหร่ที่เราเกิดมาจะต้องมาเห็นคนทาบาปใช่กุศลจักขูวิญญาณก็ไม่ดีกุศลโสตวิญญาณก็ไม่ดี กุศลคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมนโนวิญญาณก็น้อมไปที่จะได้ยินเสียงเหล่านี้อันนี้มันใกล้แล้วนะเนี่ยนี่มันใกล้เราแล้วนะถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็โอ้ยเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้มันก็เพียงพอยังไม่ที่ว่าเรียบเบื่อหน่ายแล้วเรีบเบื่อหน่ายเรียบเจริญลืีมันรักษาศีลว่าโอ้เราจะได้ไหมคนที่เขาอยู่ไกลบุญก็ดีกว่าเราหน่อยถ้าเขาประมาทจะไปต่างอะไรจากเราก็ย่าไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะ ถ้าพิจารณาอย่างนี้มันก็จิตก็จะออกได้ใช่ไห ม, มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอาวิชามันปิดแล้วมันมองลาคาญบ้างใช่ไหมนึกลาคาบบ้างนอ้อย่างทำไงอะไรเงี้ยลองอยู่ได้ยอะไรเงี้ยงดหงิดเนี่ย mm hmm. ถามมาบางทีโทมานัสเกิดหรือเปล่า mm hmm. ถ้าโทมานัสเกิดก็โทสารนั่นแหละ อ, อะไรเลย mm hmm. ก็ให้นึกอย่างนี้นะว่าเรายังไม่พน้นและเราก็เคยถูกเชือ่ออย่างนั้นมาเมื่ mm hmm. อเพราะอะไรรู้ไหม พิจารณาอย่างไงรได้ไหมคําว่าขันนี่เป็นสภาพผู้ฆ่าอยู่แล้วหนึ่งตัวมันเองมันเป็นมันก็ฆ่าอยู่แล้วถามว่าทําไมเขาจึงต้องไปถูกฆ่าอย่างนั้นก็เพราะว่าจัดเหล่านั้นก็ทํากรรมแล้วก็ไปเจอไอ้คนเหล่านั้นก็กําลังทํากรรมมาถามถ้าพิจารณาลักษไหนผบอกว่าเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าเหล่านั้นก็คือนักโทษท่านก็เป็นนักโทษ ไม่ต่างกันเลยเขากับเราแต่เพียงแต่เขาขึ้นเขียงประหารก่อนเราเท่านั้นเองแต่เราเดี๋ยวก็ถูกประหารเหมือนเขาเนี่ยแต่เราจะถูกประหารด้วยอาการอย่างไรแต่ในที่สุดถูกประหารถูกประหารนั่นพวกเราเปนนักโทษรอประหารเราสงสารเขาก็คือเขาประหารก่อนเขาถูกประหารก่อนแต่เดี๋ยวเราก็ต้องถูกประหารแต่เราจะไปถูกประหารกันหน้าที่ตรงไหนอย่างไรเท่านั้นเองเพราะเรานนั้เป็นนักโทษปรหารเขาตัดสินเรียบร้อยแล้วประหารเรียบ ใช่ไหมเพราะชาติคือการเกิดในตัวอวิชชาเนี่ยปิดไม่ให้เราเห็นไงเห็นไหมว่าจริงๆพวกเราคือนักโทษกันทั้งนั้นแหละถ้าเราสงสารก็คือสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็แค่ตรงนั้นเองนั้นโดยสรุปก็คือว่าตรึกว่าเออทันไปก่อนเราเนะสมัยก่อนเคยไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขาเขาตายตัวหน้าตัวตาเราก็นอนอีกเตียงหนึ่งพอเห็นพิจารณา เขาล้องเขามองหน้าอย่างี้ยฉันก็พูดเขาเขาก็เด็กไม่ได้แต่เขาจะยินเสียงได้ฉันบอกเออบอกท่านไปก่อนกันแล้วก็บอกว่าทุกคนจะต้องขึ้นเคียงกันทั้งนั้นเนี่ยพูดบอกท่านไงท่านพยักหน้าเนี่ยแล้วก็บอกบอกท่านแล้วก็สักพักหนึ่งท่านน้าตาไหลแต่ท่านพูดไม่ได้แต่ไม่รู้ท่านคิดยังไงก็บอกท่านเนี่ยบอกท่านที่เราเราอยู่บนเทียงบอกว่าท่านไปก่อนกันกรณีที่บอกท่านไปก่อนนั้นไม่ใช่อะไรแล้ว ทุกคนนั้นตว์ประหารยังก็ได้ท่านขึ้นเขียงถูกประหารหมดเลยพอพูดพู ด, พดลักถนัดมท่านน้าตาไหลอะไรอย่าแต่ท่านพูดไม่ได้นะเป็นอมภะแล้วก็ตายคืนนั้นอย่างๆถ้าหากไม่มีถ้าไม่มีข้อมูลในการตรึกเในขณะที่เราไปอยู่บนเขียงอย่างนั้นเราจะคิดอะไรขนาดมีข้อมูลยังคิดไม่ออกบางคนเนี่ยก็วนก็วายใจไหนคนนั้นไม่มาเยี่ยมคนนี้ไม่มาเยี่ยมอะไรก็ไม่รู้กังวลใจเขามาเยี่ยมแล้วกุศลมันดีขึ้นไหมอะไร จริงๆนะจำไหมว่าทุกคนมันถูกประหารเบ็ดเสร็จแล้วถูกตัดสินไวเลสเสร็จแล้วรอการประหารถ้าคิดอย่างนี้เสียก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรกังวลอะไรแต่เพียงแต่ ว, ว่าตอนนี้รีบจเจริญกุศลนี้มาแต่คิดนะควรคิดเลยแต่ถ้าคิดแล้วต้องได้กุศลไงเพิ่มขึ้นนะศีลต้องเพิ่มขึ้นสมาธิปัญญาต้องเพิ่มขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นธรรมชาติใด ปกปิดไม่ให้รู้ซึ่งธรรมที่ควรรู้มีสัจจสี่เป็นต้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชานี่ก็ปกปิดนะวไม่รู้ไม่ให้รู้อริยสัจสีไม่ให้รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยไม่รู้ชาติทุกไม่รู้ชาาทุกไม่รู้มรณะทุกข์ไม่รู้โสกาปริเทวทุกขโทมานัสสัอุปายาตว่ามันเป็นทุก์จริงๆและเราก็ยังไม่พ้นจาก ทุกเหล่านั้นเนี่ยยังไม่รู้อย่างนี้บางทีเราบอกว่าทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละแต่ถามมาเห็นจริงไหมถ้าเห็นจริงๆต้องละตัณหาได้และต้องสัมผัสพระนิพพานได้แล้วก็อบรมอริยมรรคบริบูรณ์ได้นี่มันไม่ได้เห็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าตรึกแล้วก็ยังไม่เคยเลยเียเสียเลยตัวนี้ธรรมชาติใดชื่อว่าอวิชชาเพราะอธวบายยังสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปในสังสารวัฏนี่นะ อันหาที่สุดไม่ได้แล่นไปในไหนแล่นไปในกําเนิดสคติห้าพบเวิญญาณทิติเจแล้วก็สัตตวาก9แล่นไปในกําเนิดทั้งสสังเสรชะกําเนิดอันตชะกําเนิดชราพุ ช, ชะแล้วก็ขับประเสริญอากาศกำเนิดเห็นไหมว่าเราพ้นจากกําเนิดไหนบ้างโอปปาติกากําเนิดพ้นหรือยังยังไม่พ้นเป็นสัตว์นรกเป็นพวกเทวดา หรือว่าเป็นสังเสทชะกำเนิดค่าผสมยกะหรืออันทชะเกิดในครันเกิดในไใข่เกิดในเท่าใครเกิดในยางเนียวหรือเกิดผุดขึ้นในกำเนิดเหล่านี้เรายังไม่พ้นเลยใช่ไหเพะนี้แหละอะไรเราทำให้เราแล่นไปเอาวิชาเนี่ยทำให้เราต้องแล่นไปเนี่ยนะยางสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปนะคติห้า นิรยาคติเปติคติเดรฉานคติมนุสยคติและเทวคติในคติห้าเหล่านี้ยังไม่พ้นสักติเลยนะพบก้ากรรมว่ า, มาพบรูปพบรูปพบสัญญาสัญญีเป็นต้น น, นะนะวิญญาณอทิติเจ็ดแล้วก็สัตวภัตเก้ามันพายเราทั้งแล่นไปสารพาัดในนี้คือคุณประโยชน์ของอวิชานะ น, นี่ก็เรียกเก่าวโจมเตียววิชาอาวิชาเป็นอย่างนี้ เอาวิชาก็เป็นอย่างนี้เขามีหน้าที่ทําให้เกิดในภพหน้าที่ของเขาเป็นอย่างเนี้ยแปลว่าเขาให้สืบต่อในภพน้อยภพใหญ่เงี้ยนี่หน้าที่ของเขาทําให้มองไม่เห็นเงื่อนต่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของวตตนเนี่ยเขาไม่เห็นภัยเลยนะอุ้ยวตตนนี่มันเป็นภัยแต่อาวิชาปิดหมดวัไม่เห็นแล้วอุ้ยยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะอย่งยังมีสิ่งที่น่าไปเที่ยวดูอีกมากไปแล้วแต่เนี้ยตรงนั้นก็งามตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็สวยใช่ไหม เวลาโลภะเกิดขึ้นเขาก็ปิดโลภะไม่ให้เพิดเพลินในโลภะเวลาโทสะเกิดขึ้นในกระแสะจิตของสัตว์โลกเขาให้สัตว์โลกได้ทุจริตเพราะโทสะข่าพ่อก็ได้ข้าแม่ก็ได้ข้าพระละหันก็ได้ทำร้ายพุทธเจ้าก็ได้โมหะเกิดขึ้นเขาก็ทำให้เกิดฟุ้งซ่านทำให้ลังเลสง ส, ยสัยอะไรสัตว์ประตามในพระพิธรรมนะท่านกล่าวบอกว่า ฐานาแปดอย่างทุกขเขียญาณังไม่รู้ในทุกคือไม่รู้รูปนามขันห่าวเป็นทุกขตามในของวิธธรรมเนี่ยไม่รู้การสืบต่อของรูปนามขันห่าว่าเป็นทุกเกิดไม่รู้โลกิยาจิตแปดสบเ็ดเจตสิก้าสิบเอ็ดเลเซเวลโลพารูปยี่สิบแดให้เป็นทุกขสัตย์ไม่รู้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นดีไหมแต่เป็นสัจจะอะไรเป็นสัจจะอะไรเวลามหากุศลเกิดขึ้นเนี่ย เป็นกุศลใช่ไหมทานอกุศลเกิดขึ้นนี่เป็นสัจจะอะไรเป็นทุกข์สมุทยัยนิโรธหรือเป็นมรรคโล ก, ยกียะจิต8ปดสิบเอ็ดเป็นเป็นทุกขกษัตริย์ <laughs> แต่เป็นทุกขกษัตริย์ที่ควรเยริญนะทีนี้ให้สังเกตดูที่ว่าบางทีพวกเราวิปลิตในทุกแม่อ่าไม่ใช่บางทีส่วนมากเลยเราวิปลิตในทุกเช่นเวลาเราเห็นคน เวลาเราเห็นในเกี่ยวกับในเรื่องของคนตกทุกข์ได้ยากคนที่จนขอทานเนี่ยเราคิดกับสิ่งนั้นหนึ่งคนโดยทั่วๆไปพอเห็นก็รังเกียจใช่ไหมวางจิตผิดแล้วนี่เขาเรียก ว, วิปปลิตในทุกสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นเป็นวิบากที่เกิดจากอากุศลไอวิบากที่เกิดขึ้นจากอากุศลนั้นเน่ะควรจะรู้ตามความเป็นจริงเนี้ยไหมควรจะมีกรรมสัทธาวิปะเ อ, อควรมีกรรมสกตาปัญญา เกิดขึ้นว่าเพรากรรมอะไรเขาจึงทํามาเขาจึงได้ลักษณะเช่นนี้แต่เราไม่เห็นเราที่หนักไปกว่านั้นก็คือเราไม่เห็นองคนี้ทุกเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นล่ะแต่เราเห็นโอ้ยคนนี้น่ารังเกียจมากเพราะจริงๆคือเราไม่เห็นสัจจะไหมยลักษณะอย่างนี้คือไม่เห็นความเป็นไปของรูปนามกันนะครว่าเป็นทุกขแท้ที่จริงว่าขันทุกขันเป็นทุกเนี่ยเพราะเป็นโลกียาสัตว์เป็นโลกะเป็นโลกีธรรม ถ้าคนที่เขามีปัญญาเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาจเจริญกุศลได้ใช่ไหมจเจริญกุศลได้พระพุทธเจ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วได้ดีพระพุทธเจ้าบรรลุได้แต่เราเห็นมาตลอดเลยแต่เราแทงตลอดไม่ได้เนี่ยทุกขสมุทเยายร์ย า, างไม่รู้เหตุให้เกิดทุกก็คือไม่รู้ทำที่เป็นเหตุของตัณหากลุ่มตัณหาเป็นต้นเนะี่ย ทุกขนิโรธียาญาณังไม่รู้ทำเป็นที่ดับทุกข์คือไม่รู้พระนิพพานแล้วก็ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทายอยาญาณังไม่รู้ทางไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คือไม่รู้อริยมรรคไม่รู้สัมมาทิฏฐิเห็นวัดเห็นที่จริงถ้าหากว่าเกี่ยวในเรื่องของไม่รู้ในอริยสัจสีเนี่ยถ้าโดยหลักคําสอนอย่างเราๆทั้งหลายก็คือว่าเวลาเรามาแยกแยะว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอารูปนี่นะมหาพูทธรูปและอุปาทายรูปเป็นสัจจะอะไรมหาพูทธรูปและอุปาทายรูปเป็นสัจจะอะไรทุกขสัจจะใช่ั้มถ้าเห็นมหาพูทธรูปคือเห็นดินน้ำไฟลมสีกินรลอโอชาเป็นต้นเนี่ยหรือเห็นมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปแล้วเนี่ยนะเราเห็นเป็นทุกขสัจแลวเราจะเห็น แล้วเราจะละสมุทัยสัจจะได้ยังไงแล้วเราจะดับสมุทัยสัจจะได้ยังไงเราจะทํานิโรธให้แจ้งได้ยังไงเราจะปฏิบัติเพื่อให้ได้นิโรธอย่างไรเห็นไหมถ้าเห็นรูปนั่งอยู่นี้มีรูป28่สิบแปดทมีรูปยี่สิบเ็ดกันหมดนี่นะที่นั่งอยู่นั้นมีหมาพุทธรูปแล้วปาไทยรูปที่มีดินน้ําไฟลมประชุมกันเป็นคนนั้นคนนี้ที่เรามองเห็นว่านี่มีรูป ต่างกันอยู่คนละรูปแล้วรูปสมมุติคนละแท่นคนละแท่นในลักษณะเงี้ยนะเห็นรูปแบบนี้เราเห็นว่านี้ทุกเลยนะถ้าเห็นนี้ทุกเนี่ยนะลักษณะรูปเหล่านี้เป็นทุกใช่ไหมเป็นทุกข์กษัตริย์จ่าใช่ไหมว่าอทุกยังไงสภาพของรูปเหล่านี้ยทุกยังไงรูปเหล่านี้แยกยังไงใช่ไหมเกิดจากกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากจิตส่วนหนึ่งเกิดจากอุตุและอาหารส่วนหนึ่งรูปที่เกิดจากกรรม ไอ้กรรมที่ทําให้โรคเกิดขนาดที่นั่งอยู่เนี้รูปที่เกิดจากกรรมเกิดดับไหมเพราะว่ากรรมในอดีตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วผลของกรรมที่มาเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจะเที่ยงได้อย่างไรและจิตที่คิดแต่และคิดในที่ความคิดเนี่ยทำให้อดียะบทเป็นไปเนี่ยนะพะความคิดเกิดขึ้นวาโยธาตตั้งขึ้นพัดผันไปในสริริละทําให้อวัยวะแขนขาหรือส่วนอวัยวะ ต, ต่างๆยืดตรงบ้างขยับ เคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจิตแต่เชื้อเหล่าเนี้ยเกิดจากจิตจิตเที่ยงไหมจิตแตเชื้อโรล่ะก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอุตุที่อยู่ภายในหรืออุตุภายนอกเป็นต้นเนี่ยที่ในกรรชกายเนี่ยก็ทําให้รูปเนี่ยตั้งขึ้นอาหารที่บริโภคเข้าไปทั้งภายในภายนอกก็ทําให้รูปเหล่านี้ตั้งขึ้นที่เกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง ถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็เริ่มเห็นความแปลบวนไปของรูปแล้วถ้าจริงรูปเหล่านี้ไหมมันมาจากเหตุหมดเลยเราเห็นรูปเหล่านี้ก็ไปตรึกพิจารณาถึงเหตุของรูปเหล่านี้ได้แล้วรูปเหล่านี้มาจากอะไรตันหาใช่ไหมที่สร้างรูปเหล่านี้กลุ่มสมุทายกลุ่มตันหาใช่ไหมที่สร้างรูปเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นจะเห็นนะว่าจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆยังไม่ว่า ลักษณะอย่างนี้แล้วรูปเหล่านี้เดี๋ยวก็จะต้องเมื่อยังมีการทำกงําอยู่ใช่ไหมก็จะต้องไปมีการเกิดชาติทุกชะราทุกมรณะทุกสืบต่อไปถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เราก็เห็นทุกขสัตว์แล้วก็เห็นสมุทัยสัจจะคือเหตุเกิดของรูปเหล่านี้อวิชชาใช่เกิดรูปเกิดตัณหาเกิดรูปเกิดกรรมในอดีตเกิดรูปก็เกิดแล้วก็อาหารเกิดก็รูปก็เกิด แล้วก็เห็นลักษณะอย่างนี้ก็แล้วเห็นเหตุเกิดของรูปเห็นกลุ่มสมุทรไทยของรูปถ้าดับอวิชชาดับตันหาดับกรรมแล้วก็อาหารแล้วก็ลักษณะการดับไปของรูปได้อย่างเท้าวะอย่างนี้เป็นนิโรธเป็นนิพพานนะแล้วปฏิปทาที่จะให้ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิโรธนั้นเป็นมรรคเนะี่ยก็ตรึกเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็เริ่มมองเห็นว่าจริงๆเรามองเห็นก็คือก้อนทุกข์เลยใช่ไหม ถูความทุกขอย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็มองเห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นเป็นวัตถุที่ถ้าเกี่ยวข้องก็คือทุกเลยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกมองเห็นแล้วสัจจะปรากฏแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็โมหะปุพพันเตยญาณังความไม่รู้ขันธาติยัตนะที่เป็นไปในอดีตไอ้คาว่าไม่มองไม่เห็นขันธาติยัตนาในอดีตนี่จะตึกเนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหม มันทำให้มืดบอดหมดเลยขันธาตุอายตนะที่เป็นมาในอดีตนั่นเป็นยังไงขันธาตุอายตนะที่เป็นไปในอนาคตก็มืดหมด อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นอะไรทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นอะไรอะไรๆ ไ, ไม่รู้เลยและกรรมที่ทำไว้ในอดีตและกรรมที่กําลังทําในปัจจุบันจะทำให้เราได้ขันธาตุอายตนะในอนาคตอะไรไม่เห็นเลยก็เหมือนที่กล่าวบอกว่า เวลาโลภะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าอบายทุกขติวิบานะลกนรกรออยู่โลภะจิตเกิดขึ้นในกระแสจิตโทสะจิตเกิดขึ้นหรือโมหะจิตเกิดขึ้นใช่ไหมอบายทุกขติวิบานะลกนรกรออยู่ก็ไม่รู้เห็นผิดในปัจจุบันที่เป็นโลภะบั่งเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะว่าในขณะนั้นเราได้ทุจริตอยู่แล้วในขณะนั้นยมสุรีรู้ไหมว่าในขณะพอโทสะเกิดปุ๊บก็รู้ทันทีวันนี้อบายสัตว์รออยู่เห็นอย่างนี้ทุกครั้งไหม เห็นหรือเปล่าแต่ให้สังเกต ด, ดูใช่ไหมบางทีมันไม่เห็นด้วยส่วนมากไม่เห็นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาเราลืมหมดเลยตรงนี้ไอท้ที่ที่ตึกพระทํากันอยู่ดีๆลืมหมดเลยยังไงต้องเอาเรื่องนั้นให้เสร็จก่อนแล้วมาทำท่าตึกที่หลังแต่ที่ไหนได้สร้างเหตุเรียบร้อยแล้วขันท่าอัยตนะนดีดคอยไม่เรียบร้อยฉะนั้นเราไม่เห็นเลยเนี่ยกรรมที่กาลังทาปัจจุบันและกรรมนาดี ที่ยังไม่ได้ส่งผลและจะทําให้ขันธาตุอายตนะเนีดีดเป็นไปมืดปิดหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วยังไม่เห็นโทษอีกตอนนี้สําคัญที่เลยคือว่ายังไม่เห็นโทษนะทุกวันยังสบายใจเชิญอยู่นะว่ากินได้นอนหลับก็ว่างั้นยังนอนไม่สะดุ้งใจอะ่ะถ้าหากว่าเ้าบอกภิกษุใช่ไหมพระเนี่ยทําไมท่านนอนน้อยถ้าท่านนอนหลับ หรือถ้าท่านมัวกังวลในการหลับอยู่ไอ้กิเลสในใจท่านยังมีอยู่ท่านจะนอนด้วยด้วยจิตที่มันสะดวกสบายได้ยังไงท่านไม่สบายเลยอ่ะจิตท่านจะไม่สบายเลยถ้าหากท่านท่านตายในขณะที่กิเลสยังนอนเนื่ยยังอยู่ในขันอยู่ท่านจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแล้วนี่ท่านเห็นอย่างนี้ท่านบองไม่เอาแล้วเลยนอนน้อยเลยหลายคนบอกอุ้ยทำยังไงให้นอนหลับมากมากเลยะ ขอนอนมากๆเอาไว้ก่อนถ้านอนไม่หลับเครียดจริงที่ตวันนอนมากก็นอนน้อยในเดียวกที่จริงถ้าหากว่าในกลุ่มบุคคลที่ตรึกพิจารณาจริงดานว่าโอ้โหขันท่าตายตนะในอนาคตที่จักไปเกิดเหลืออีกมากใช่ไหมเกี่ยวกับในเรื่องของความในเรื่องของคําสอนเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่า ถ้าหากด้วยความที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงที่ถูกปิดกั้นโดยอวิชาโดยประมาณอย่างยิ่งถ้าในสูตรโดยเฉพาะในคําสอนที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่ า, าศาสดาอาจารย์ของเราเนี่ยตายไปไปเป็นสัตว์นรกแล้วเราไปเป็นนายเนียบานเราจะปราณีอาจารย์ไหมหรืออาจารย์มาเป็นนายเนียบานเราเป็นสัตว์นรกอาจารย์จะปราณีเราไหม ถ้าหากว่าอาจารย์ตายไปไปเกิดเป็นเสือเราไปเกิดเป็นกวางอาจารย์นั่นจะปราบบนีเราไหอาจารย์ตายไปไปเกิดเป็นงูเราเกิดเป็นเขียดเป็นกบอาจารย์ก็จะปรานีเราัหมะฉะนั้นในาศาสดศา์ที่ไม่รู้จริงครูอาจารย์ที่สอนไม่รู้จริงเนี่ยแล้วไปหยิบยกอะไรต่างๆขึ้นมาสอนเนี่ยถามว่าเขารับผิดชอบชีวิตเราแค่ไหนใช่ไหม เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบชีวิตเราเผลอเมื่อเขาจะเป็นศัตรูเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้พ้นทุกจริงขึ้นมาใช่ไหมจ๊ะจึงต้องวางศรัทธาไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระธรรมในพระ ร, รีสง์อย่างแท้จริงพวกเรานั้นเป็นเพียงแค่ร่วมการศึกษาพระธรรมก็แนะนํากันไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ตรึกพิจารณาตามกันไปในะตามพระพุทธเจ้า อย่าได้ไปยึดบุคคลเป็นที่ตั้งถ้าอย่างนั้นมันจะเสียหายมันจะเสียหายแต่ถ้าจะสัตถ์ถ้าหากว่าความดีของท่านพวกนั้นนยใครกล่าวว่าทาได้ถูกต้องความดีของท่านก็คือว่ากล่าวได้ถูกต้องตามอัดและพยัญชนะงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี่นก็เป็นความดีแต่ว่าท่านที่ฉุดเราขึ้นจากหล่มจริงๆคือพระพุทธเจ้า แต่ความดีหรือบุญคุณของท่านบนนั้นก็คือว่าได้ท่านบนนั้นมากล่าวให้เรานั่นคือความดีของนั้นและท่านก็ทําบุญของนั้นแต่ถ้าท่านกล่าวผิดเนะี่ยอบายทุกติวิธิบาสนารกก็รองรับท่านอยู่แล้วไม่ว่าใครมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยคนนี้เป็นอาจารย์เนี่ยถ้ากล่าวว่าทาไปว่ารอดพ้นจากอบายทุกติวิธิบาสนารกตอกนรกก็เยอะใช่ไหมไปดูในลักขนาสังยุตไปดูในวินีระวัตถุ เปรตภิกษุเปรดภิกษุณี้เปรดอุบาสกเปรตอุบาสิกาเปรตสัมมาเนนเปรสมมนเนรีก็ว่ากันมีหมดแล้วถ้ายังไม่แทงตลอดอริยสัจเนะี่ยยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นตันหาเป็นเครื่องประกรอบอยู่ที่สจริงๆมันก็ต้องลงกันไปอยู่แล้วใครผิดพลาดเพื่อนบนนั้นก็ลงอาจารย์นะกับตัวไม่หลอดดนะ้วยมโยงเนี่ยต้องต้อง นะัตรงนี้ทั้องบอกความไม่รู้ขันท่าแต่ยตนาในอนาคตเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วถึงบอกต้องเทียบคําสอนให้ดีแล้วก็ศึกษากคําสอนดูทั้งครับมันหลงสารพัดนะหลงสารพัดกัน ค, ความไม่รู้ความเป็นไปของขันท่นาแตยตะทั้งอดีตและอนาคตอิทัพปัจียตาปฏิจจสมุปปนเนสุธ ร, รมเมสุอายานางังความไม่รู้ในรูปนามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเป็น เหตเป็นผลต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสายแห่งความเป็นไปของสัตว์ต่างหลายตามในของปฏิจจสุบาทธรรมก็ไม่รู้นะที่นี้ในหลักสูตรท่านแสดงสภาวะของอวิชชาที่มีสภาพปกปิดไม่รู้ตามความเป็นจริงแบ่งเป็นสามประเภทในหลักสูตรนี่นะประเภทที่มีอวิชชาหนามากมีอวิมีอวิชาหนามากว่าไงถูกอวิชาปกปิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ พวกนี้ปกปิดอย่างแน่นเลยนะประเภทที่ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้โลภะโทสะโมหะว่าเป็นเหตุของอบายทุกขติวิธิบาสนรกไม่รู้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นเหตุของสุกติโลกสวรรค์เนี่ยนะคือไม่รู้เลยพวกนี้และก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมเนี่ยเพราะ เป็นผลที่ทํากุศลกรรมมาจากอดีตก็ไม่รู้ว่าการไปเกิดเป็นพวกอบายสัตว์เป็นต้นนั้นเป็นผลจากการทําบาปมาในอดีตเงี้ย ก, ก็ไม่ทราบนี้เขาเรียกวันหนานแน่นมากพวกนี้กล้าทําทุจริตทุกอย่างประเภทอุดเชททิฐิบ้างพวกสัตตตาทิฐีบ้างท่านหนักที่สุดก็คือพวกไหนอกตริยทิฐิบ้างอเหตุุกาทิฐิบ้างนาทิกาทิฐิเห็นว่าไม่มี เป็นต้นเนี่ยนะะเห็นว่าไม่มีเหตุเห็นว่าไม่ชื่อว่าทําบาปทําบุญโอหวพวกนี้หนาแน่นอย่างมากแต่พวกนี้สะ ก, กิทไม่เอาเลยอย่างนั้นเด้อเข้าไหวาพ้พระนี่เดินหนีเลยไม่เอาเลยหรือบุคคลบางคนก็ทําอย่างดีนี้มีประโยชน์อย่างนี้ไม่มีประโยชน์พวกพวกนี้รู้นะ เมื่อเห็นว่าการกระทาที่ตนกระทาไปนั้นไม่ดีเป็นบาปเป็นอกศุศลมีโทษก็พยายามหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่มีในการกระทาการงานนั้นแล้วก็เปลี่ยนจิตมากระทาแต่สิ่งที่ดีทำแต่ประโยชน์ทำแต่กุศลเนี่ยอันนี้สรุปนะบุคคลประเภทนี้มีอย่างบางบางลงมาม า, มากแล้วคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็คือว่ากลุ่มที่ทาทำดีเห็นแก่ประโยชน์ว่าออควรเจริญกุศลนะควรอะไรต่าง แต่มีอวิชานะพวกประเภทปุญญาพิสังขารี่มีเยอะคือตรึกในบุญนะ่ะนะประเภทที่ว่ามีาวิชาเนะี่ยเป็นปัจจัยทําให้ทําบุญนะ่ะปรารถนาอยากจะช่วยคนอยากจะสงเคราะห์คนอยากพประโยชน์ไปชาติหน้าแล้วเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะ่ยนะมีกลุ่มพวกนี้ก็เบาบางพองสมควรซึ่งเราก็เห็นกันเยอะนะีถ้าประเภทที่ว่าอู้ชอบทําประโยชน์ช่วยสงเคราะห์ช่วย ทำกิจการงานต่างๆเนี่ยใครเรียกใครไปไหนทําอะไรต่างๆอย่างนี้เยอะอย่างนี้กลุ่มพวกนี้ก็พอเบาบางเห็นโทษในอบายภูมิแต่ไม่เห็นโทษในสังสารวัตรมีอวิชชาอยู่ไหมมีอวิชชาอยู่ถ้ากลุ่มที่เป็นภ้าริยะบุคคลเนี่ยหรือกลุ่มที่จดจ่อที่จะเป็นภ้าริยะบุคคลเนี่ยกลุ่มพวกนี้สลนะเป็นพระโสดาบันพระสะกท า, าคาผ้านาคาเป็นผู้เห็นอริย ส, สัจสี แล้วแต่ยังทำลายอาวิชชาไม่หมดสิน้นอวิชชาของพระเลี้ยบุคคลเหล่านี้เป็นอวิชชาที่เบาบางมากที่สุดประเภทที่อวิชชาที่จะทําให้ตนเองได้กามเนื้าหาพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันเนี่ยวัตถุ ก, กามกิเลสกามที่จะลงไปในอบายทุกขติวินิบัตินรกนี้ตัดไปเด็ดขาดเขาเรียกละได้เด็ดขาดถ้าพระสกาทาคามีกามที่เป็นอย่างหยาบ เห็น ไ, ไหมการที่เป็นอย่างหยาบท่านก็นละได้เด็ดขาดถ้าหากเป็นผ้านาคามีการอย่างละเอียดอาประเภทที่ในการมสุขติภูมิท่านละหมดเลยเหลือเหลือกามที่เป็นประหนี่อย่างประเภทในรูปภูมิอรมณภูมิดันั้นเด่แต่ว่ายังมีอวิชาอยู่ไหมมีอวิชาในรูปภพกับอวิชาในอารมณภพเห็น ไ, ไหมในที่สุดจริงๆยังไม่หมดนะเนี่ย แต่ถ้าอย่างเราเราทั้งหลายมีอวิชาเนะี่ยหนานะอย่างเราเนี่ยใช่ไหมยังมีวิชาหนาอย่างเนะี้ยหนาเปล่าบางคนก็ไม่หนาเนะนี่ยนีที่นั่งกันอยู่นี่ยใครบอกอู้เอาวิชาเราเริ่มเราบอกเราเห็นโทษของโมหะแล้วเห็นจริงยังเนะี่ยเห็นนรืยังบอกไม่เอาแล้วโมหะเนี่ยชอบถามไหนว่าชอบโลภะไหมชอบโลภะไหมยังยังชอบผ้าสวยๆอยู่เปล่าชอบ ยังชอบที่นอนนิ่มๆอยู่บางคนบอกไม่ชอบโลภะแต่ยังชอบอาหารรสอร่อยอร่อยก็จริงโลภะนั่นแหละบางคนบอกอไม่ชอบเลยโทสะว่าไงแต่ว่าชอบตําหนิคนเรื่อยๆบางคนบอกไม่ชอบลองโม้งหาใช่ไหมแต่ยังฟุ้งอยู่ไม่ชอบเลยโมองหาแต่ยังลังเลสงสัยสถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงๆก็คือชอบนั่นเอง จริงๆยังเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นและมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบอยู่พวกเราปัญหาคือกระแสคือตัณหาตัณหาเนี่ยมันใช่ไหมตัณหากระแสคืออวิชชาเนี่ยกระแสคืออวิชชาจะเป็นเครื่องกลางกั้นกระแสคือตัณหามันก็เที่ยวประกอบประกอบไว้ในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างอวิชชาหรือตัณหาเนี่ยมันก็สร้างไปตามอายตนะภายในอายตนะภายนอก สรางไปทั้งบริหารภายในบริหารภายนอกใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แสดงว่ามันมั น, ม, นมันวิ่งมันแผ่รัทธมีมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มที่มีกระแสพอได้กระแสคืออวิชชากระแสกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็จะตามมาพราออวิชชาทําให้เราได้ทุจริตอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ถามว่าพระอรหันจะรู้ ถามว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านก็ไม่มีอวิชานะท่านบางอย่างเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้แต่อย่างนั้นไม่เรียกว่าอวิชาพระสมัมมพระปจเจกับพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระมหาสาวกรู้ปรมาธมทั้งอัรรถและก็ธรรมรรถคือรู้ทั้งเหตุและผลแต่ยังไม่รู้เท่าบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จะรู้ทั้งหมดทั้งปวงเลยนะคําว่าสัพพัญยูสัพพัญยุตยา น, นี่แปลว่ารู้ทั้งหมด ไม่มีอะไรกีดขวางเลยเพราะจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่มบารมีมาเพื่อจะตัดทารุอยู่แล้วใช่ไหมเอาแค่อย่างตาธรรมดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมองได้สิบหกิโลเมตรเนี่ยตาธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้ามองสิบหกิโลเมตรยังพวกเรามองได้ถึงหนึ่งกิโลมองได้ไหมเนี่ยพอได้ใช่ไหมหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยพอได้แต่ก็แทบแย่แล้วมั้งหนึ่งกิโลมองไกลๆได้มองอย่างทางตรงเลยสว่างสว่างหน่อยก็พอนี้พระพุทธเจ้าเนี่ย สิกกิโลเมตรนี่ตาธรรมดาเนี่ยฉะนั้นเมื่อได้สัพพัญญตยานก็เวรู้ทั้งหมดอยู่นะรู้ทุกขันรู้ทุกกลุ่มเนี่ยขันทุกขันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรวจสอบหมดแล้วตรวจสอบขันเราดูแล้วโอ้โหยังอีกนานเน่ยนะขันา ธ, ธนาตุอายตนะของสัตว์โลกเนี่ยที่จริงเนี่ยเราก็ถูกกระแสของสัพพัญญตยานทั้งหลายองค์แล้วนียมองมาแต่ว่าโอ้โห ไม่มีอัธยาศัยไม่มีหนอเนื้อในการไม่ได้เป็นพุทธบุตรต่อไปตั้งอัธยาศัยใหม่นะเป็นโอรสของพุทธเจ้าให้ได้นะเกิดแต่อกอวิชชาปกปิดไม่รู้สภาวธรรมและอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสภาวธรรมตามความเป็นจริงปกปิดปกปิดไม่รู้ความจริงแปดประการคือสัจจะทั้งสี่ขัธนธ์อายตนะธาต ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็ปฏิจจุบันบาปเท่านั้นส่วนการที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอื่นไม่ได้เกี่ยวกับการปกปิดของอวิชชาเนเช่นไม่รู้อัธยาศัยหรือไม่รู้การอบรมอินทรีย์ของสัตว์อื่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อวิชชาเพราะพระรหันตสาวกทั้งหลายนี่นะบางทีไม่รู้อัธยาศัยเพราะไม่มีอ า, อาสยานุสญยาณไม่มีอินทรียอินทริยปรโรบริยติยาน แต่ถ้าพระพุทธเจ้ า, เารู้เนี่ยนะรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์อ่ะพอพระพุทธเจ้ า, เารู้เลยเห็นอย่างสัตว์โลกทั้งหลายก็รู้ว่าท่านบนนี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีสัจทินทรียวิริทรีสมาทินทรียปัญญินทรีย่นะทีนี้ลักษณะของอวิชชาเป็นยังไงลองดูลักษณะที่จตุการของอวิชชาที่อาญาณลักษณะมีความไม่รู้เป็นลักษณะ ลักษณะลักษณะของอวิชชาของเขาต้องไม่รู้ไม่รู้ในอะไรก็ดังที่ได้กล่าวนะแล้วก็สัมโมหะสัมโมหะนราษสาก็คือมีความหลงมีความหลงจากนามรูปเป็นกิจต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยในพูดในส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่จริงในความหมายโดยสังเขปเนี่ยน ในปฏิจจสมุปบาทและในปฏิจจสมุปปันนธรรมมีสองส่วนนะปฏิจจสมุปปาทธรรมกับเสปฏิจจสมุปปันนธรรมถ้าปฏิจจสมุปปาทธรรมนี่คือธรมปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในส่วนของเหตุปฏิจจสมุปปันนธรรมคือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในส่วนของผลใช่ไหม S <S <ans ion> ก็แยกให้ออกเพราะธรรมที่เป็นปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายนั้นะพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปปั น, นธรรมมองออกใช่ั้ยคำคเนี้ธรรมที่เป็นปัจจัยทั้งหลายธรรมที่เป็นอวิชชาสังขารวิญญาณทั้งหลายธรรมที่เป็นปัจจัยโดยฐานะเป็นอวิชชา ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารซึ่งนับไปในนับเป็นในส่วนของตัวปัจจัยนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปปาถ้รทำเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นไปในส่วนของปัจจัยทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นแต่นับในแง่ในฐานะในมุมของการที่เขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนะไม่ใช่นับในฐานะที่เขาเป็นผลหรือเป็นปัจจัยุบันนะนะก็ให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดตรงนี้เสีย ส่วนธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นปฏิจจสมุ ป, ปันณธรรมถ้าหากว่าจะมีคำถามบอกว่าข้อนี้จะพึงทราบได้อย่างไรก็ต้องแก้หรือต้องตอบบอกว่าทราบได้โดยเพราะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในพระสูตรเนี่น ถึงว่าโดยปฏิจจสมุปบาทและก็ปฏิจฏจสมุปปนธรรมไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายชารามระมีเพราะปัจจัยคือชาติเพราะความเกิดขึ้นแห่งตถาคตทั้งหลายก็ตามไม่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยธาตุอันนั้นธรรมธีติและความตั้งอยู่เป็นธรรมดาอันนั้นเป็นธรรมริยามตาความแน่นอนแห่งธรรมอันนั้น อีทับปั จ, จยตาความที่สิ่งนี้มีเป็นปัจจัยของสิ่งนี้อันนั้นนะ่ะนะก็คงมีอยู่นั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้ถึงธาตุอันนั้นเข้าคันรู้ถึงแล้วจึงบอกจึงแสดงจึงบัญญัติและแต่งตั้งแล้วก็เปิดเผยจำแนกออกทำให้ง่ายขึ้นท่านทั้งหลายจงดูเถิดดังนี้เป็นต้นนะ่ะนะส่วนที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชลามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาต ชาติมีเพราะปัจจัยคือภพภพมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานอุปาทานมีเพอปัจจัยคือตันหาอุปตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาเวทนามีเพอปัจจัยคือภาษาภาษามีเพอปัจจัยสรายตนะสราญตนามีเพราะปัจจัยคือนามรูปนามรูปมีเพอปัจจัยคือวิญญาณวิญญาณมีเพอปัจจัยคือ สังขารสังขารมีเพราะปัจจัยคือชาติความเพราะความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตามเพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตามถามว่าจริงๆปฏิจจามีอยู่ไหมปฏิจจสุบาทมีอยู่อิทับปัจาตาก็มีอยู่ธรรมธีติก็มีอยู่ธรรมนิยามตาก็มีอยู่นะมีอยู่ถึงบอกว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เพราะงั้นทีนี้ที่บอกว่าพระองค์ทรงจำแนกทำให้ง่ายขึ้นทท่านทั้งหลายจงดูเถิดแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชาชาเห็ตตะตาเนะี่ยความมีเพาะปัจจัยอย่างนั้นคาว่าตถตานี่เช่นนั้นเองเนี่ย หรือความมีปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้แหลอันใดวิอวิตาตาตาความไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้แหลอันใดอิทัปยตาความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้อย่างนี้แหลอันใดในธรรมนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังนี้เป็นต้นเนลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ ถ้าไปดูในความหมายในส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในส่วนของผลกับปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในส่วนของเหตุอะไรคือปฏิจจสมุปบาทส่วนผลกลุ่มธรรมนั้นอันบัณฑิตอาศัยดําเนินญาณอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขที่เป็นโล ก, กุตระเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นกลุ่มธรรมนั้นจึงชื่อว่าปฏิจจ Ge ะเพราะเป็นที่บัณฑิตควรอาศัยและกลุ่มธรรมนั้นชื่อว่า สมุบาทด้วยเหตุนั้นทำเหล่านั้นเกิดขึ้นนะโดยชอบมิได้เกิดขึ้นทีละอย่างว่าไงเออถ้าลักษณะอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้ตัวปฏิจจสมุบาติส่วนของผลเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะอย่างเพราะทำที่เป็นไปในส่วนของปัจจัยอย่างเช่นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็ไม่ได้มีอย่างเดียวนะ มีทั้งปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอนเนียนชาพิสังขารอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเขาบอกปฏิจจุบันนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ไหมเป็นได้หรือไม่ได้ที่จริงถามบอกว่าเพราะปัทภามุนีนั้นเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วก็เป็นอันทรงสแสดงความเป็นไปของสัตสตาวาทาัเป็นต้นด้วยบทว่าเพราะทรงสแสดงความแย้งแห่งอุเฉทวาทาัอาทิด้วยบทหลังคือ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยการเดินไปตามถามว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นจะเป็นอารมณ์ที่จะทําให้เกิดวิปัสนาได้ตอนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่ออกจากสายของวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้นี่เป็นในลักษณะอย่างนั้นในวันก่อนพูดในเรื่องของอวิชชารู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายธรรมชาติอันหนึ่งชื่อว่ า, อาวิชาเพราะปกปิดเสียซึ่งวัตถุและอารมณ์แห่งวิญ ญ, ญาณมีจักรวิ ญ, ญญาณเป็นต้น ซึ่งทมทั้งหลายที่เป็นปฏิจสมบาติคือปัจจัยและปฏิจสมปันนธรรมคือผลดังนี้ก็ได้ด้วยอัตสภาวะโดยสภาวะเนะี่ยคือไม่ให้แทงตลอดสภาวะเอยงยกตัวอย่างเช่นว่าจักขูวิญญาณไปเห็นสีในจักขูทวาริกะอติมหานตารมิถีใช่จักขูทวาริกะอติมหันตารมิ ถ, มมมถีเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะรับรูรปรับสีรับสวนทรงเนี่ยนะทีนี้พอจักขูวิ ญ, ญญาณดับไป สัมปติชนะสันติระนาโวทัพนาเป็นไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอวิชาก็ปิดไม่เวลาชาวนะเกิดขึ้นก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงไงนะไม่เห็นปิดบังเสียซึ่งวัตถุแล้วก็มองไม่เห็นใช่ไหมว่าจักขูวิญญาณเนี่ยอาศัยจักขูวัตถุเกิดและการที่จักขูวิญญาณเนี่ยอาศัยจักขูวัตถุนั้นน่ยจักขูวัตถุนั้นอยู่ในฐานะเป็น วัตถุปุเรชาตปัจจัยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้จักขู่วัตถุเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยอุคกากรแกจักขู่ินยาณเป็นต้นนะก็ไม่รู้และก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวจักขู่อินยาณเนี่ยนะจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสีคือรูปารมณ์นั้นเป็นอารมณปัจจัยเป็นต้นเนี่ยก็ก็ไม่รู้และไอ้ตัวจักขู่อินยาณก็ไม่รู้อีกว่าในขณะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านผู้นั้นก็ไม่ทราบอีกว่าจักขู่อิญยาณนั้น เกิดขึ้นมาเพราะอาวชนะคือมัน ป, ฏ, ปฏิปาธกามานสิกาเดีวบอกว่าวิถีปฏิปาธกามนัสิกาเนี่ยมนัสิกาที่ทําให้วิถีจิตเป็นไปคือทําให้จักขคูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นไปก็ไม่รู้ความเป็นไปของเหตุปัจจัยในลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกปิดบังวัตถุด้วยคือที่อาศายัยตนเองแล้วก็ปิดบังอารมณ์ไม่ให้ตนเองแทงตลอดว่าอารมณ์นั้นเป็น ทุกเนี่ยที่จริงเอาวัตถุนั้นเป็นทุกข์ษัตริย์ก็ไม่เห็นด้วยความเป็นทุกข์จากขวิญญาณเองก็เป็นทุกข์กษัตริย์ก็ไม่เห็นตัวเองด้วยความเป็นทุกข์ใช่ไหมแม้อารมณ์ของจากขวัญญาณคือรูปคือสีนั้นก็เป็นทุกข์ตัวอวิชาก็ปิดไม่เห็นตามความเป็นจริงเช่นว่าถ้าเห็นจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งชาติที่ทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นเนี่ยทำไมสัตว์เหล่านั้นจึงปรารถนาวัตถุรูป ปรารถนาจากขูยิญญาณแล้วก็ปรารถนาสีใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาสีกันอยู่แล้วแล้วเราลักษณะอย่างนี้เป็นข้อบง่งบอกว่าตัววิชานั้นปิดบังทําให้ไปแยกแยกไม่ออกเลยว่าส่วนไหนเป็นธรรมส่วนเหตุส่วนไหนเป็นธรรมส่วนผลไม่รู้เลยนะว่าปฏิจจสมุปาทส่วนเหตุอยู่ตรงไหนปฏิจจสมุปาทส่วนผลอยู่ตรงไหนเช่นเวลาจากขูวิญญาเกิดขึ้นใช่ไหม ไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นตัวประวัติวิญญาณแล้วไอ้ประวัติวิญญาณ น, นี่มันมาจากอะไรเป็นปัจจัยมันมาจากสังขารและสังขาร น, นั้นเป็นสังขารฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปก็ไม่ทราบและเมื่อปฏิสเมื่อประวัติวิญญาณคือจักขคูวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเป็นปัจจัยกับนามคือเจตสิกขันสามซึ่งสหลคตอยู่ในจักขคูวิญญาณนั้นมีอะไรสัญญา เวทนาและก็ offering, dominate, Zen, สังขารใช่ไหมเวทนาขันสังขารและขันอีกห้าดวงที่ในจักรกุญญานนั้นก็เป็นสังขารและขันเป็นนามใช่ไหมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวปวัตถิวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดปวัตถินามอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นปัจจัยให้แก่กันได้อย่างไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันก็ปิดหมดเลยนะนี่เป็นในลักษณะอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าอวิชาเป็น เวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันปิดบังในลักษณะอย่างนี้ครั้งที่ได้บอกว่าอาวิชชาโดยสภาวะองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ไม่รู้ธรรมแปดประการดังที่ได้กล่าวมีความไม่รู้เป็นลักษณะมีความหลงจากนามรูปเป็นกิจมีความปกปิดสภาวะของอารมณ์เป็นผลเมื่อกี้นะแล้วอวิชชามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีกามาสวะวาสวะทิฏฐาสวะเป็นเหตุใกล้นะเป็นเหตุใกล้ นี่ก็เรียกเหตุใกล้ของอวิชชาอำนาจของอวิชชาก็คือว่าเพราะความไม่รู้คือโมหะนี่แหละจึงเป็นปัจจัยอุปการลาแก่แหละแก่สังขารสคือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอาเนญชาพิสังขารเห่นไหมคำว่าสังขา น, นี่หมายถึงอะไรทำทั้งหลายใดมุ่งแต่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เกิด ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสังคต ธ, ธรรมนะเหตุนั้นทำนั้นจึงชื่อว่าสังขารเนี่ยนะทที่ปรุงแต่งให้ผลธรรมเกิดขึ้นสังคตังสังข โ, โรติอภิสังขโรติสังขาราเนี่ยทำเหล่าใดที่ปรุงแต่งสังคต ธ, ธรรมที่เป็นผลโดยตรงให้เกิดขึ้นทำเหล่านั้นชื่อว่าสังขารได้แก่เจตนาเจตสิกที่ประกอบในอาคุสลจิต12 และก็โลกยักุสรด7ส่วนอีกในหนึ่งสังขตังกายะวจีมโนกรรมมังอภิสังขโรติเอเตตีติสังขารานี่นะสัตว์ทั้งหลายย่อมปรุงแต่งกายกรรมวจีกรรมนโมกรรมที่เป็นสังคาธรรมโดยเจตนาเหล่านั้นฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งเหล่านั้นชื่อว่าสังขารเนี่ยนะสังขารเนี่ยนะมันมีสองอย่าง สังขารสองอย่างสังขารที่ที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งสังขารที่มาโดยสังขารศัพท์อย่างหนึ่งนะมีสองอย่างนะเรียนสังขารเนี่ยบางคนเวลเรียนไปเรียนมาถกกันใหญ่ตอกไว้ตกเมาไม่ไม่ค่อยเข้าใจก็ว่ากันนัสังขารสองอย่างนั้นสังขารเหล่านี้คือปุญญาพิสังขารนี่ยปุญญาพิสังขารและอเนินชาพิสังขารเนี่ยเป็นสามนะ แล้วก็บวกด้วยอะไรกายะสังขารวจีสังขารและจิตสังขารอีกสามหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นโถงอิจัดเป็นอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร น, นะอวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารก็ได้แก่อะไรกุศลเจตนาและกุศลเจตนาฝ่ายโลกีญาณเดียกใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ไปดูคร่าวๆก่อนว่าส่วนสังขารอีกอย่างก่อนจะอธิบายเนะ สังคตาสังขารสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยหรือแต่งขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้านี่สังคตาสังขารเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยอันนี้เป็นสังขารที่เป็นผลข้อวิชาหรือเปล่านี่สังขารโดยสับเนาะอันนี้สังขารโดยสับไม่ใช่เป็นผลข้อวิชาเดี๋ยวเดีดูดูสังขารตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ยเดินไล่ไปตามลำดับก่อน แต่แยกออกมาแล้วเป็นประธานสังขารในปฏิสุบาส่วนเทศนาอีกต่างหากดังนั้นจึงจัดเป็นสังขารในศับท์ที่กล่าวในในพัพบาลีมีอยู่เจอย่างสังคตตาสังขารคืออะไรรูปประทรมนามธรรทมที่ถูกปัจจัยพุงแต่งได้แก่จิตใจรกรูปทั้งหมดที่กล่าวแล้วในพระบาลีอนิีจาวว่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาะคำคำนี้เป็นสังคตตาสังขารไม่ใช่สังขารที่เป็นผลของ อวิชาเป็นสังขารโดยสารไอ้ต่างกันใช่ไหมดเดี๋ยวทําความเข้าใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวไปดูอัดของสังขารเนี่ ย, ยดูอัดก่อนดีไหมดูอัดของสังขารก่อนเนี่ยนปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารและอเนญชาพิสังขาร เ, เนี่ยบอกว่าอัตโนสันตานังปุนาติโสเทติติปุญยังเนี่ยธรรมชาติใดย่อมชําระขันสันดานของตนให้สะอาดฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อบุญ อันนี้เป็นสังยาสังขารที่เป็นฝ่ายบุญนะหรือว่าณปุญญ์ยังอปุญังธรรมชาติใดเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อบาปณอินชตีติอนินชังอนินชังเยวะอาชาอนันต์นินชาเนี่ยทำใดเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นทำนั้นชื่อว่าอเนินชะทำที่ไม่หวั่นไหวนั่นแหละชื่อว่าอเนินชะเนี่ยตรงนี้คําว่าอนินชะทำกับอเนินชาพ่สังขารคนละอย่างกันนะ เอออย่าถามตรงนี้หน่อยอรูปวราวจจกุศลนี่เป็นอน en ชั่ทธรรมหรือเป็นอน en ชาพิสังขารเจตนาที่ในอารมปกุศลเสี่อันนี้เป็นเป็นอน en ชาพิสังขารแต่อารูปวิบากสอันนี้เป็นอน en ชั่ทธรรมเป็นอน e ั่ทธรรมอารมปกุศลสี่เป็นเจตนาที่ในอารมปกุศลสี่เป็นอน en ชาพิสังขาร แต่อารู้วิบากสี่เป็นอนเนนใชธรรมเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหว เ, วเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้หน่อยสังขารที่เป็นผลของอวิชชาเนะี่ปุญญาพิสังขารสภาวะที่ทําให้เราสัตว์ปรุงแต่งธรรมที่เป็นผลอันได้แก่บุญนี่นะกุศ ล, ลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งกุศลวิบากและกุศลกรรมชรูปให้เกิดขึ้นโดยตรงได้แก่เจตนาที่ในมหากุศ ล, ลจิตแปดแล้วก็เจตนาที่ใน รูปกุศลและจิตหตรงนี้นะตรงนี้ถามบอกว่ากุศลและเจตนาที่ปรุงแต่งกุศลละวิบากเนี่ยนะปรุงแต่งกุศลละวิบากเท่าไหร่เจตนาเหล่านี้ปรุงแต่งกุศลละวิบากอะไรไอเหตุต ก, กากุศลนีบาก8มหากุศลมหาวิบาก8รวมเป็น16วิบาก16เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะปุญญาพิสังขาร ในฝ่ายของมหากุศลเจตนาเป็นผู้ปรุงแต่งมองเห็นอย่างแต่เนี้ยมหากุศลเจตนาแปปรุงแต่งจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนะที่เป็นกุศลและก็สมณะสันติระณนะด้วยที่เป็นกุศลเป็นกุศลสันติรณะนะธรรมดากับสมณะสันติรณะนะอันนั้นเป็น มหากุศลแจิต8มหากุศลเจตนา8ให้วิบากที่เป็นอเหตุกะส่วนมหากุศลจิต8มหากุศลเจตนา8ดวงอีกอย่างให้วิบากที่เป็นสเหตุกาวิบากเหมือนกันก็คือให้วิบาก8เกิดขึ้นในปฏิสนธิการและในประวัติการเนี่ยเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามหากุศลเจตนา8ให้วิบาก16เกิดขึ้น ในปฏิสนธิการและในประวัติการนี่เอ๊ะอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีใครตรึกไม่ทันบ่าไม่ทันนะฉะนั้นในส่วนของปุญญาพิสังขารนะนะที่เป็นไปในส่วนของมหากุศลเจตนาแปดให้มหากุศลเจตนาแปดที่เป็นผู้บูงแต่งกุกุศลวิบาก ค, คือในส่วนของมหากุศลเจตนาแปด ปรุงแต่งไอเหตุกะอเหตุกุกะกุศลวิบาก8แล้วก็มหาวิบาก8เป็นไปในส่วนของอเหตุกุกะเส้อ8เป็นไปในส่วนของสเหตุุกะเส้อ8รวมเป็น16นี่เขาเรียกว่าให้วิบาก16ที่เป็นไปในปฏิสนธิการแล้วก็ในประวัติการไม่ใช่แค่นั้นนะยังสามารถให้กรรมมชรูปให้เกิดขึ้นโดยตรงได้ด้วย เพราะว่าตัวกรรมไม่ชืโรที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิการและในประวัติการนั้นเป็นผลของเจตนากรรมที่ในมหากุสรลจิต8เห็นไมว่ากรรมไมช่ชืโรที่เกิดขึ้นที่อุปาทคณะของปฏิสนธิจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกายธาศะกายะประศาส์แล้วก็ภาวะรูปแล้วก็อะไรกัหัตยะกลุ่มของหัตยะ10กลุ่มของ ภาวะรูป10กลุ่มของกลุ่มของอะไรกกลุ่มของกายะประสาทอีก10รวมเป็น30รูปนหรือกลุ่มจากขู่โสตาคานาชิวหากายะหะทยะแล้วก็ชีวิตเนี่ยนะกลุ่มในอีก7รูปนั้นพวกโอปปาติกาเกิดขึ้น3 7มเนในลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นผลของมหากุศลก็มีเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะนั่นในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่า กุศลเจตนาเป็นผู้ปรุงแต่งกุศลนิบาศและกุศลกรรมมชโรมให้เกิดขึ้นโดยตรงได้ แ, แก่เจตนาที่ในมหากุศลส่ว น, เ จ, น, นเจตนาที่ในรูปกุศลเจตนาที่ในรูปกุศลนั้นปรุงแต่งรูปวิบาก5รูปาวจระวิบากหมองเห็นยังปฐมมชานวิบากหนึ่งทุติยชานวิบากหนึ่งตติยชานวิบากหนึ่งเจตุทะชานวิบากหนึ่งและปันจมะชานวิบากหนึ่ง อย่างนั้นเขาเรียกว่าให้นะไหมเจตนาที่ในรูปกุศลห้าออให้วิบาก ค, คือรูปรูปวิบาก5นั้นเขาเรียกว่าตนเองเป็นมหาคตาธรรมและก็ให้มหาคตาธรรมให้ผลเป็นมหาคตาธรรมใช่ไหมและไม่แค่นั้นรูปกุศลเจตนา5ไม่ใช่แค่นั้นรูปกุศลเจตนาหายังสามารถให้ปริจตธรรมได้ด้วย คือทำที่เป็นไปในส่วนของรูปคือกรรมไม่รูปมีจักขู่ประสาทของพรมไงโสตประสาทของพรมไงใช่ไหมแล้วก็หัวใจของพรมเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มของกรรมไม่รูปของรูปปพรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> เขาเรียกว่าปริตธรรมเป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยนะรูปเหล่านั้นนะ่ะแต่ว่าเป็นผลิตผลของเจตนาที่ในรูปวิบาก เขาให้ปริจตธรรมคือรูปเกิดได้ด้วยแล้วก็ให้มหาคตธรรมที่จริงอะ่ะเขาสามารถให้ให้วิบากไม่เหมือนกับตนเห่นไหมเจตนาเนี่ยเจตนาที่ในรูปกุศลเนี่ยเขาเป็นนามอยู่ไหมเวลาวิบากที่ได้เป็นรูปเนี่ยวิบากให้วิบากไม่เหมือนกับตนเหมือนมหากุศลเนี่ยมหากุศลเจตนาเนี่เป็นนามไหมเป็นนามเจตสิกไม่เป็นนามได้ยังไงเกิดร่วมกับกุศล เวลาทํากรรมออกมาแล้วเนี่ยแล้วทําให้ได้นามหรือได้โลกได้ทั้งนามเลยได้ทั้งโลกได้ตามาด้วยได้หูมาด้วยได้จมูกได้ลิ้นได้กายใช่ไหมได้หาทายวัตถุได้ภาวะลูกอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ผลไม่ตรงกับตนเองตนเองเป็นนามแต่ให้ผลเป็นโลกอย่างงี้นะโลกเรียกว่าวิบากก็เปล่าไม่เรียกว่าวิบากเรียกว่าผลนะเป็นผลได้แต่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นวิบากกระทำ แต่เป็นธรรมที่เป็นไปในส่วนผลได้เพราะว่าไม่ตรงกันกับเหตุนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่ามหากุศลเจตนาและโรคกุศลเจตนาทีนี้ในส่วนของปุญญาพิสังขารเนี่ยถามว่าอะไรล่ะทำให้ทำให้ ท, ใ ห, ทให้เป็นปัจจัยใงการทำบุญทีนี้มหากุศลเจตนาที่เป็นผลของบุญเออขออภยัยมหากุศลเจตนาที่เป็นผลของอวิชชา กับมหากุุลเจตนาที่ไม่เป็นผลของอวิชานต่างกันยังไงแต่เนี้ยใช่ไหมเอ็กุศลเจตนาที่เป็นผลของอวิชากับมหากุศลเจตนาที่ไม่เป็นผลองอวิชาถ้าหากมหากุุลเจตนาที่เป็นผลของอวิชาแล้วเนี่ยมหากุุลเจตนานั้นต้องเป็นมหากุศลเจตนาที่สร้างวัฏักหรือสร้างขันใช่ สร้างจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกาย ว, ญญาวิญญาณมโนวิญญาณเปต้นเนี่ยถ้าสร้างพวกนี้ถ้าปรารถนาขันปรารถนาขันาธนาตุอายตนะที่จะเป็นไปในพบต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่ามหากุศลเจตนาที่มีอวิชชาเป็นผลเออเป็นเหตุเป็นเหตุ เ, เ, หตเพราะอาวิชชาปิดกัน้นใช่ไหมจึงปรารจึงจึงทําบุญเพื่อปรารถนาท่านทับปรารถนา สวรรค์ไหมสมบัติไหมปราธนามนุษย์สมบัติไหมถ้าปราธนามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัตินี่เขาเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกางั้นนี่มีอวิชชาเป็นปัจจัยถามว่าถ้าไปมีตาใช่ก็คือตานี่เป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจจะนี่คือกลุ่มผู้ปราธนาทุก ปราถนาทุกเนปราถนาที่จะไปมีตาไปมีหูไปมีจมูกไปมีลิ้นไปมีกายไปมีใจเพราะมีอะไรปิดบังจึงปราถนาทุกขมีอวิชชาเป็นเครื่องปิดใช่ไหมมองเห็นอย่างแต่เนี้ยว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องปิดนั้นเป็นอย่างนี้มันมีมันทําให้เราทําสังขารผิดพลาดเน่ยปรุงแต่งสังขารผิดพลาดเนี่ยเป็นไปในลักษณะเงี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังขารเน่ยเสียหายแล้วสังขารตัวนั้นเน่ย สังขารที่สร้างขันสร้างพบเนี่ยนะปราถนายิ่งบอกในกลุ่มนี้ก็คือทำบุญนะให้ทานรักษาศีลเนก็มีฟังธรรมที่ไหนไปหมดแล้แต่ปราถนาขันเขาเขามีให้ทานที่ไหนไปหมดและแต่ถ้าไม่ใช่บุญเดี๋ยวไปปราถนาบาปนะ <c oughs> ต้องระวังนะใช <c oughs> ่ไหมทีนี้เจตนาแบบไหนอะไรที่ยังยกตัวอย่างเช่นว่า เจตนาแบบไหนที่เป็นกุศ ล, ลเจตนาที่จะไม่เป็นผลของอวิชชาต้องเจตนาแบบไหนเจตนาที่ตั้งนั้นต้องเป็นเจตนาที่ไม่เป็นปัจจัยแก่ขันอย่างยกตัวอย่างเช่นนะอ่ายกตัวอย่างเช่นว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าทํานบัดนี้ขอบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าแทงทําให้แจ้งซึ่งโลกุตตระทำก้าในทันทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ย หรือนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูธ้ธรรมเราได้พ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นเนี่ยตั้งกุศลอย่างๆนะโมตรัสญาใช่ไหมพระกวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไอ้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นมีอะไรมีปานามเจตนาที่มีการนอบน้อมพระพุทธเจ้านั้นเป็น ประธ like, านนี่นะไอ้กุศลเจตนาเนี่ยมีอะไรเป็นอัธยาศัยอ่ะไอ้กุศลเจตนาเนี่ยมีอะไรเป็นอัธยาศัยอ่ะมีโยนิโสใช่ไหมไอ้ตัวโยนิโสนี่การกลองแค่ไหนการกลองเพื่อจะทําให้ตนเองนะั้นะตั้งอัธยาศัยเพื่อจะพ้นจากวัฏจัหรืออยู่ในวัฏจัหรือปรารถนาวัฏจัหรืออยู่ในวัฏจัท่องนโมตศาสตร์เพื่อให้ตนเองเนะ่ะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ได้ใช่ไหมใช่ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าอยู่ในภพ ขอให้รูปสวยรวยทรัพย์ก็ อ, อะไรก็ว่าไปเธเนี้ยลักษณะอย่างนี้ทั้งๆที่ตั้ ง, งส่วนมนุ์ทุกวันนะขยันนะแต่ขอให้รวยนะขอให้สวยนะอะไรก็ว่าไปถ้าลักษณะอย่างเนี้ยขอให้ฉลาดนะอย่างเงี้ก็เรียกว่ามีวิชาเป็นเครื่องกลางกันมีมีวิชาเป็นเครื่องกางกั น, น, กกนถ้าหากปัญญาที่ในในโลกียะก็ยังเป็นฝักฝ่ายของทุกข์สัตว์อยู่เลยใช่ไหมเป็นไหมเป็ น, นมีอารมณ์ก็เป็นทุกข์สัตว์ ไม่ไม่เบื่อนายเนี่ยลักษณะงี้มองเห็นใช่ไหมว่ า, าวิชาเป็นผลของอวิชาเป็นอย่างงี้เพราะว่าเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยวิชาจะปิดใช่ไหมอวิชานั้นคอยปิดปกปิดเลยทําให้มองทําให้แทงตลอดขันอนยะตะนาธาตเวลาจะทําบุญก็ยังไม่ทําบุญที่จะออกจากว่าด่เลยทําให้แทงไม่มองเห็นใช่ไหมว่าบางทีเนี่ยที่เราคิดเนี่ยว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างยอมต้อ ง, ตงการจะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยเนะี่ย ก็ตั้งอัธยาศัยปุ๊บเลยว่าขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอกรณีตั้งแบบนี้คือไม่เห็นอะ ไ, ไม่เห็นทุกข์ในสังสารวัฏอะไรลรปิดอวิชชาปิดอวิชชาเนี่ยเป็นตัวปิดทําให้ไม่เห็นทุกข์ในสังสารวัฏแท้ที่จริงที่ตนเองปราถนาไปปราถ น, นามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านั้นวิบัติแน่นอนเพราะจริงๆไม่ใช่เป็นการปรารถนาสิ่งที่มันพ้นจากอาวิชชาหรือพ้นจาก การที่จะทําสังขารที่เป็นผลของวิชาตัววิชาจึงปิดเนื้อปิดบอดเลยเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นช่องทางของความหลุดพ้นไปจากวัฏะเลยเนี่ยยังยังอธิษฐานกันเยอะอ่ะ <c oughs> ถามจริงแต่แต่ถามบอกว่าแต่แต่อธิษฐานแบบยังเบาเบอยู่เลยชักไม่ค่อยมั่นใจนะ <c oughs> ทีนี้ถ้าดูอปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขาร คืออกุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งอกุศลวิบากอากุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งอกุศลวิบากและอกุศลกรรมชรีโรให้เกิดขึ้นโดยตรงได้แก่เจตนาที่ในอกุศลจิต12ถ้าเจตนาที่ในอกุศลแจิต12ต้องเว้นอุทธัจเจตนาด้วยนะถ้าจะให้ผลในป ฏ, ฏิสนธิการเจตนาที่ใ น, นอุทธัจจะไม่ให้ผลในปฏิสนธิการ แต่ให้ผลในประวัติการอันนั้นแยกแยะให้ออกด้วยตรงนั้น น, นะนะแยกแยะให้ออกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมองมองไม่เห็นเพราะว่าตัวสังขารอันนี้ว่าโดยคร่าวๆไว้ก่อนในตัวสังขารที่เป็นฝ่ายบาปเนี่ยเจตนาหรือความจงใจเนี่ยนะที่เกี่ยวกันในเรื่องของอภุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลเจตนาสบเนี่ยเป็นไปด้วยอำนาจแห่งอกุศล มีปานาธิบาทอธินนาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาพระุสาวาจาสมภบปลาปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฏฐินี่นะที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นอาปุญญาวิสังขาร น, นะ อ, อกุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งนะเป็นผู้ปรุงแต่งฉะนั้นให้เข้าใจว่าในขณะที่ทำปานาธิบาตคือประเภทกลุ่มฆ่าทั้งหลายเนี่ยนะ อันนั้นให้รู้เธอวิบากรองรับรอไว้หมดแล้ววิบากรองรับไวหมดแล้วครับเช่นว่าจิตที่คิดจะฆ่าใช่ไหมมีความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรเอ็ดก่อ น, นี้เป็นใช่ไหมสัตว์มีชีวิตรู้าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นก็ตายลงเพราะความเพียร น, นั้นไอ้กุมภานาติบากเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือถ้าไม่ฆ่าใช่ไหมตาหนิในกลุ่มตําหนิ ว่ากล่าวเป็นต้นอันนี้ก็ได้หมดแหละถึงบอกมันบางทีให้สังเกดตดูนะว่าเรานั่งเรานั่งเรียนพระธรรมถ้านั่งเรียนพระธรรมอย่างนี้เรามาสร้างสังขารที่เป็นกุศลวิบากและกุศล ก, กรรมาช ร, รูปในอนาคตเจตนาที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่ทํทําทา